พวกเฮาทุกคนนะใส่รถใส่ถนนมันบวมเนถนนของเฮาผู้เดียวการไปให้ระมัดระว่างเขาเขียนไว้ในคางถนนตั้งสติกรสตาร์ทเขาวะเออคือคืออยู่ในหลวงพอว่อว่ะเออให้มีสติกอนสตาร์ทเออการสตาร์ทเครื่องไอนกรสตาร์ทเครืค่องมีสติจากนั้นการละมัดระว่างแล้วก็ค่าถาของหลวงพูชิมใส่ในทุกโอกาสพี่กันเนี่ใส่ในทุกเวลา หลวงปู่สิมเจิมรถแล้วหลวงปู่สิมมเสียเอาค่าถามมหาปอดไ พ, พ่ป๋อสันพลวะโวยเอาเลยแล้วปู่สัน เ, เดี๋ยวสิสอนให้สันก่อนเข้าสีสตาร์ทรถทุกครั้งให้เขายางออมรถก่อนเนอะแต่นว่าซองบางไตรลางและตะยางออมรถรอบก่อนขั้นเข้ า, าบระมาณใจขั้นเข้าไปในตลาดไปยังกระตามเข้ายางออมรถก่อนเข้ายางออมรถสนเสร็จเลยล่ะ สตาร์ทเครื่องติมหรือไม่แต่จมคาถาแล้วบาทเลยระวังระวังระวังอนี่คอยขับรถทุนท่านก็ไประวังไปเรลยแล้วบาดเนี้ยทุกทนี่แหละคือคาถามหาปลอดภัยพระนว่าจําไว้เดอร์พระนว่าระวังระวังคือระวังไปเรื่อยแล้วระวังรถระวังมอเตอร์ไซค์ระวังเด็กหน่อยระวังภูเขาระวังขี่เมาเอระวังง้วระวังควาย เราว่างถนนที่เป็นหลุมเป็นบอลมอเข้ามเคยไปเระาฟังรถแกลนตัดหนาเพราะถนนบ่เม็นของเข้าผู้เดียวแต่ขนาดเครื่องบินบินอยู่ทั้งฟ้าก็ยังส้นกันไมีเล่ยหงเน่ยลจัดระดับให้ประนั้นอันนี้ถนนของเข้าเนี่ยเข้าสิไปรับร่องรับประกันได้จดากไหนวะผู่มานี่ยบ่เม็นตาบอดบอ่เม็นตาฟางบ่เม็นหูหนวกบ่เป็นขี่เหลา่าเข้าลงไปถามเขาเจักร ว, ว่าเจา้าเป็นขี่เหล่าเพราะ เจ้าเจ้าไปขี่เราเจ้าสองพระวังได้ขามถนนนงต้องไปบอกบ้องเขาก็ว่าถนนของเขาเพื่อนเพราะนั้นต่างคนต่างระว่างเวลาขับรถขับล่าย่าง ม, มาคลื่นขึ้นกันเวลาขับรถย่าง ม, มาคลืน่นถึงจะสะดวกอย่างหนึ่งแต่เสียอย่างหนึ่งสะดวกจังไรย่าง ม, มาคลื่นใครๆว่ามันมีไฟรถสวนรถหนังเขามาเหาก็เห็นแต่พอมันเสียเนี่ยคือบางคน เออเป็นขี้เลาบ้างเป็นพี่บ้าบ้างเขามาในถนนรถจอด ม, อมีไฟบ้างรถอิทอกบ้างอันนี้เข้าต้องเหลือบไฟสูงอยู่เลยวิลลาแลนไประยะห่างๆเรือบไฟสูงคณะาวานไฟซองตาเขาก็ตรงสยบลงเตรียมพอรอมและมัดระวางวันอาจจะมีไอ้ยังสิงขับขันเกิดคือมา้านักทั้งหนาเข้าก็ได้ สิงโมเหนือมันต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตั้งสติวาญญาณเสมอการขับรถคืออันตรายอยู่ทีก่กำมือของเขานึงแปลว่าถึงตายได้ง่ายๆเพราะนั้นเท่าจะไปขับแบบคุยกันสอมาเลเท่เมาเฮ่ห้าไป เ, เรื่องรถเรื่องล่ามาจากหลังเข้าบริสุทธใจอันนั้นอันตรายมากนะคนในรถทุกชีวิตหมอบพ่อมไว้วังใจคับในพวงมาลัยของเขาท่านั้นมีสักคนอยู่ในหันสิงโมเหนือเอาตองระว่างตองป ร, ระมัดระว่าง เวลาเข้าขับรถไปเนี่ยอไฟตาเข้าต้องซองไวเอเวลาเข้าสีแซงได้คอนรถขันหนามี่ถึกแนวอื่นมันสีแซงเข้าก็ตท้องเรือเบื้องไฟข้างหลังเดี๋ยวพอนะรถข้างหลังมันเป็นรถอย่างมันเป็นรถเก่งถ้ามันรถปิ๊กอัพเมื่อมันรถซิปล่อมันรถอีตอกรถอีแตนที่มานําหลังเข้าขั้นเป็นรถเก่งรถปิ๊กอัพรถทั่วหนึ่งสเวลาเข้าสิไปเขาก็ต้องเล่งเหยียบของเข้าให้เต็มที่เลยเพื่อเขาเตรียมพร้อม เดือบปืดขึ้นไปเลยมเมนี่ออกไปก็เอเอแล้เฮยเอลเ อ, เอล้เฮยไปเรื่อยๆยังเอ่ารในถนนเนี่ยมันบอได้เด้รถทั้งหลังเขามาเนี่ยเาแลยังเต็มทีมดแล้วอันนี้ก็หลวงพ่อเคยเห็นเนล่สีแจงรถพบันถนนเจ้าของผู้เดียวต้งคุยกันไปพอมรถทังหลังม้าบอดได้เบิงอันนี้ก็คืออันตรายเพราะฉะนส่ยงโมเนี่พในถนนที่สอนหลวงพ่อบอกไพ่ในถนน ละเอียอย่างหนึ่งการขับรถขับลากก็ให้มันว่าจนเกินไปถ้าว่้เกินไปก็อันตรายที่หลงพกขุ่นว่าเนี่ยถ้าว่าสูขับถึงร้อยสิบรอยี่สิบเปิดกูกระโดดลงรถแล้วกันกูปกุมข้องสูแล้วกันขั้นสูขับซาคนนั้นกูก็สิคุมข้องสูไปแล้วกนขั้นว่าสูขับรถเรี่ยวคนนั้นกูปกุมข้องกูก็ยันตายเหี้ยนลงพกขุ่น่าเออขาทาหลงพกขุ่นกระโดดต้องลดขึ้นกันมาแไป อันนี้ขึ้กันนะหลวงพ่ออินขึ้นกันนะเกินประมาณกินเหลาห่านึงย่าขับรถแล้วลูกหลาได้ว่าถ้ามันง่วงนึงก็ย่าขับรถขับรถไวเกินไปกับโบได้น่ะอันตรายนะนี่แหละซิงโมนีมันเจอแล้วยังคอยเป็นบทเรียนแต่มันเลี่ยนเลี่นนักจนเกินไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อก็ บ, บริวายัางมันปันพานไปแล้วแต่ว่าต่อไปพ่ายภาคหนาผโบได้มีรถมีล่าเกือบมีครับทุกคนน่ะนะ ให้ระมัดระวังยังรู้พอเขื่อนในนั่งรถทั่งลากันขับขันคือมามงได้นั่นยุดนะยุดนะ ย, ดนะยานะยาณนาะยาเรีวยงนะค่อยไปนะไม่รีบนะมันว่างก็อันเออกไปก็บอกว่าอย่างแต่ว่าไม่ ม, มีสิ่งที่อันนั่งคือมายังเห็นควายเลยควายนะควายนะงัวนะง้วระวังไนะพยย่หูจักอย่างไรบางที่มันตรวจชนรูดซะกันมันบ่นเราเข้าหูจักแล้วเขาเลี่ยงควายมาแต่น้อยกวนะ่นน่ะเลี่ยงง้วมาแต่น้อยกวนะ่าน่ะ มันจิ้งหัจักเห็นอะไนิสัยของมันบางที่ตัวใหญ่โดดขลาดต่ำง่วมันตัวนึ่งกัาขลาดมาหาเหาเหตุอย่างไรก็ช่นเปียงั่นตัวอันนี้ให้ละมัดระว่างขึ้นกันให้หูวจักนิสัยง่วนิสัยควายหมาขึ้นกันขันเห็นหมาเห็นแต่ไกลบีบแก่โหดหมาขยานตายขึ้นกันเด้ขันเห่าบีบแกขนเหาบ่มีบแกแล่นเขาไปมันก็ชนเปียงอีลีเนี่ยขันเห็นหมาเนี่ยบีบแกไปก่อนเยเปี้ยบเปี้มันกโดดออกขนกัน เป็นเสียจะม้าไล่กัดกันมาไล่กัดกันเนี่ยเสียเปรียบมันโดดหรือมันยานมาตัวหลังมันบริคิดอียงลงไปมันบริยานหัวรถไปอันนี้แหละมาตายยนอนตัว น, นี้ก็มากขึ้นกันเด็กๆหน่อยขึ้นกันเห็นคนยางขี่รถไปเห็นคนที่ขามถนนเห่าตรงเบรงซะก่อนบีบแกซะก่อนบีบแ ก, กแล้วก็ต้องชะลอ่ออีกเพราะเหตุใดเหาเพมันใจแบบผู้ที่ขามถนนหูหลวกบอตาฟั่งบอเป็นกีเหล่าบอ เข้าต่องชะลอกทามันเกิดปัญหาเฉพาะนานเข้าสีเห็ดยังไเอมันต้องเลยคิดไว้ถึงสั่นอีกเลยตลอดที่ไปในถนน ท, นทนทางไปทางไงก่อนที่เราจะไปเนี่ยรถเขาพร้อมบอสใบประกันเขาพร้อมบออพระบอสเข้าพร้อมบอสใบขับขี่เข้าพร้อมบอสมันต้องตรวจอีกคือนกันก่อนที่เดินทางแต่ละครั้งตลอดนั่นก็ตรวจสภาพของรถอีกอยางเข้าพร้อมบอสเบร์เข้าพร้อมบอส นำบุกนำมั่นนำห้องพอมบ่อกเสี่งบงั่นกระตรวจเช็คที่กันทางว่าจะเดินทางไกลอันนี้คือความปลอดภัยของชีวิตทรัพย์สินของพวกเขาตลอดถึงพระบวงพระบอประกันชั้นใดเข้าตรวจตาเบิงให้พอมเวลาไปในถนนคนทา้งที่กันไปโดนตรวจเข้าสีว่าจังไหนกับตำรวจเข้าสีว่าเขาจังไหนผมม้าจะใส่ผมสีไปยัง ซิ่งเหล่าเนี้ยเขาก็ต้องคิดไวในใจให้กันถ้าว่าโดนตรวจขึ้นมาเนี่ยเฮายห้องสีบอยังกับตำรวจอ่าบอแมนเอือเอือเออมาเขางัดเขายางรถพุ่นกบแมนแนวเหืกันเลยเออพระเห็ุให้เขาสงสัยแมนบอกอะเออพราะนั้นซิงโมเนี่เขาก็ต้องเตรียมไวพร้อมมัดถามดาอกไรตัวนังอยู่นียหลวงพ่อเนี่ยบอกแมนบอทีวอลมาเนี่ยเออพราะนั้นซิงโมเน่เขาต้องคิดไวมัดที่จะเดินทาง คือเดินทางถ้ำขึือกันชีวิตของเฮ้าขื้นกันที่จะเดินต่อพบหนาชาติหนาคือกันให้เตรียมพ้อมขึ้นกันโมเมนต์เกิดมาพบนี่ชาติเนี่สซัมมเล่เทเมากินเหล่าเมายาสุลานารี่นีสิ่งที่สัวขนมาใส่บาหาไก่ที่ตายตะลี่ตะเหลือขึ้นมาคือถึงความดีจ้ของบพคือถึงคุณงามความดีจ้ของบพมั่นกระบอถูกขึ้นกันเพราะนั้นเฮ้าต้องเตรียมพ้อมขึ้นกันในการที่จะเดินทาง หลวงพ่อเปรียบเทียบว่าคือกันกับไตลวดเส้นเดียวนี่นหมุล่านแม่จำไม่เป็นเล็กน้อยหลวงพ่อเป็นเด็กน้อยเขาไตรวดเส้นเดียวไตเชือกเส้นเดียวเขาประคองตัวยังไงเขาไตรวดเส้นเดียวเขายังยา ง, งาไปสุดพุ่นชุดพี่ใดมันลไปเขาต้องเตรียมตัวพร้อมและเติบและสติสตังความแข็งความแรงหอบพอมัดเอ่เขายังยา ง, งาายได้อันนี้คือกันการน้าลงชีวิตของพัวเข้าน่าจะเป็นยังสัน้น บุคคลจะเปรซ่ยายเปรขวาเปหนาเปหลังกินเหล่าเม้ายาสัมมาเลเทเม้าขี่ข่ขานขี่เกียรอชีวิตของข้าวก็ตกอับบ่อราปลืม้มแล้วข้าสิบีปนให้ไปเข้าวสีเปิดาไผ่ข้าสิปาเสปรวายไผ่วานนพี่พออิเมเกิดมากกูจดนั่นกันบอกสมบัติในโลกนี่เพื่อไผก็เพื่อหัวข้าทุกคนผู้ใดมั่นขยันก็นได้เอยเสาะแสวงหาทรัพย์ภายนอกแลยก็ทรัพย์ภายในใบ้านี้ ที่จะเดินทางต่อไปพภายภาคหน้านะคืออย่างเฮาก็ต้องเตรียมพร้อมขึ้นกันเฮาต้องทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลไว้ใส่ใจคงเจ้าของไว้เพื่อจะเดินทางในภพนายชาติหน้าเดินทางแน่นอนเลยเดินทางแน่นอนขึ้นเชองตะกอนนั่นแ่ะขึ้นเครื่องบินแล้วเราไปบอกลับมาอีกแล้วศพน่ะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติไปอีกแล้วเดินทางไปแล้ว ค่อยนั่นคนที่เขาจะเดินทางเขาติดมีเงินบ่เขามีบุญบ่ท่านบ่มีบุญต้องเตรียมไวนะ้นะอสร้างบุญสร้างกุศลไว้รักษาศีลภาวนาเอาไว้คาวนาว่าตายแล้วมันบ่มันสิดับสิสูนเลยตายเราเกิดอีกพราะพระเจ้าเพ้นผา พ, พิสูจ น, น์ขึ้นใจนั่นะวิญ ญ, ญาณใจน่นตัวนั้นสภาพไปเกิดร่างกายแต่ตายดับแท้ๆเป็นดินน้ำร่มไฟผ่เาเป็นอย่างอื่นเป็นกระดูกแท้ๆไปแต่ว่าใจนั่นมี สิ่งอยู่ในร่างกายนี่ตัวหน้ามาทํามองมาเห็นโดยตาเนื้อเจ้าเครื่องเล่ด่าประเภทเดมาจับใจก็จับเพไาะดนอกจากญาณทัศนะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นอที่พระพุทธเจอ้าบำอเพ็ญมากเลยนางสมาธิแล้วเกิดชั่นญาณทัศน์เลยป้องเห็นได้จิตใจใครคิดอย่างไรเฮ็ุอย่างไร ด, ดวงวิ ญ, ญญาณจะไปทางใดรู้ได้โดยญาณทัศนะนอกจากนั้นแล้วบม่มีทางสีหูได้ ถึงจะเอาเครื่องมือเครื่องไม่ระดับได้มาวัดก็เถอะมาะวัดได้แต่ระดับสมองเท่านั้นไอ้เทียมันขื่นมันลงมันขื่นมันล่มคือยังภูเขาเนี่ยเห็นได้เท่านั้นแต่ว่าส่วนใจเจ้าคิดอย่างไรมันมีพลายหงจัดแต่ว่าพู้ใดเจ้ารับของพุทธศาสนาเนยป็นลู่ได้นี่แหละอันนี้คือขีอใ้ใจไอ้ส่วนบุปผกรรมการกระทําของเฮานั่นมันเป็นบาปมันเป็นบุญเนี่ยครางว่าเฮ็ดพอดี เข้าเหตุกรรมที่บอดีมันก็ไปใน ห, หน้าทั้งบอดีถ้าว่าเขา้าเห็ดกรรมดีกรรมดีก็ส่งไปในทา้งดีเจ้าว่ากรรมดีก็กรรมชั่วหนี่งมดเป็นคือกันสมมุติว่าเขา้าเหตุห้เห็ุหน้าใส่เหล้าห้อปีนเห็ุไหลายมันออกไปเข้าสางบุญหลายปีเนเห็ุหน้าหลายปีเน เ, เข้าไปกินไปใ น, ในปีสองปีปีที่สามที่สี่มันก็ลอยหลอ่อมดขึ้นกันอันนี้คือกันบุญขึ้นกันคันว่าเขา้าเหตุเหล่าเห็ดเพรเห็ดต่อเนี่ก็มดขึ้นกันเพราะว่าเจ้บุญบาปขึ้นกัน คือคนไปติดคุกอ่าเพราตัดสินติดโค ก, กับนับปีนับปีนับปีเอาไปมากกับมดคืออันนี้ขึ้กันบาปขึ้นกันถ้าว่าเข้าทําแล้วเก็มดไปมดไปมากกับมัดคือนกันอ่ถ้าเข้าวัดถ้ำตอเนี่ยก็บมดบาปแล้วก็ทําบุญต่อก็เป็นบุญเข้ามาโทษแทนบุญกับบาปมีสิ่งที่มดเป็นได้ผลที่สุทธิ์ถ้ำคิดเห็นบริสุทธิ์ลุดพ้นไปแล้วบุญกับบาปก็ถิ่มทั้งมดไปแต่ค ว, วามบริสุทธิ์อันนั้นคือพระลัน บ่ออบุญบ่ออบาบบ่อหีบ่ออุ้ยสัวทิมบุญทิมบาบพอนัไปอันนั้นคือพระรหัรองค์เดียวนอกจากนั้นบุญกับบาปต้องคล้องจิตคล้องใจของพวกเข้าตลอดไปจนพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารคันว่าผู้ใดทำบุญยังพล่ำที่เกิดมาในรวยเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์ถึงแ0ดสิบโกร แต่ซาดเนี่ยี่เที่ยวปัญญ้นยังบ่เคยทําบุญ ท, ทาําท่านเกิดมาเราบ่เคยทําท่านบ่เคยทําบุญบ่เคยเลี้ยงภัยอีกต่างหากเพราะเหตุใดเพราะอันนี้สงฆ์ท่านของเจ้าของเจ้าของบริสเสียสละเองบ่ได้ทําบุญเองเอื้อในผู้อื่นเฮ็ดบุญบ่เอเพอื้อในผู้อื่นเฮ็ดบุญเอื้อในผู้อื่นทําบุญบัตรทานาได้บุญมากไส้กั บ, บ่ไหนกินกับบ่ไดนเพราะบ่เป็นสมบัติของเจ้าของ อันนี้ก็บแมน่แนวดีเนอะการทำบุญต้องเจ้าของต้องออกน้ำผอมผู้อื่นก็ต้องออกทำให้ถึงเจ้าของต้องออกมากกว่าเขาเนะพราะเจ้าของเป็นคนหนานไปคันทำว่าให้ถ้าผู้อื่นออกอผู้อื่นออกหลายพัแห้งแนหะเจ้าของบอกออกบ่วใดเดเกิดมาพบนายชาตินานด่วยยุเป็นเศรษฐีตะกินบัวใดสีไใสบาทหนึ่งกัญชานขาดลอยออเอลงไปคันสีใสลอยนึงกัญชานขาดพันเล่บบัวใจมิถะเก็บไหวเก็บไหเก็บไห เก็บแบบโงหน่อยไปเ อ, อพอเหตุใดไส่ก บ, บอะไรเสียดายมหมหวงอยู่จังสังลนล่ะผลสุดตายถิ่มฤทธิตายแล้วให้ผู้อื่นเอาอันมันมีดเในข้างพระผู้ใจเจ้าของเห้าอย่างที่หลวงพออ่อทราบมาในพระไตรปิฎกนะเพว่ามีร้ามผู้หนึ่งะเกิดมาร่วยอย่างที่หลวงพ่อว่านนะั่นไส่บอะไรกินบอะไรอะไไปซัสบสมบัติห่วงขนาเจ้าของกินกินนั่นนะเนีกินขขาต้มน้กกมมาแสพระกลมอ่นะ ส้มสมขั้นพักกุมเนรอเข้าว่ามันแสบป่ะพักกุมเข้าหูยากี่ตัว่แล้วเมาคันขั้นใส่เข่าเป็นน้ำสมเนื้อวาน่ะเอาไปขายนละไปเอ่กินน้าสมพักกุมนอมากกินเข่ากินเข่าเม็ดดีก็พวกกินเด้เสียดายมันหมเอาไปขายวันไปเอาเขาหักนะไปเอาเขาหักชุ่มเขาเปลี่ยนเขาหักเอามาต้มใส่อะก็มากินกับน้าสมพักกุมวันลไปออจานวนจำนวนเอาไปขาย ไอ้ล่องเท่าที่เห็ดมาได้กัซุ้มมันได้ดีขายกันออกไปไอาที่เขาเอใส่ที่ขาดๆเอามาใส่ไอ้โฮมขึ้นกันเสือผาขึ้นกันเอาใส่ของขาดๆนะเนี่ยไอ้มันจะไปใส่ยังของดีร่างกายยังซื้อเนี่ยมันเอาเงินมาเก็บปุนะ๋น่ะทั้งเงินเนี่เก็บหลายโขดลงไปโบจักแน่วสีใส่กันออกไปผที่สุดก็เลยตายตายเป็นขึ้นกันไนดะ้กี่ทีประเด็นกัได้เออตายกันออกไป พ่อตายไปแล้วบัดพระยาปัิเสธที่โกโซนกับประกาศแล้วบัดไผเป็นญาติเศรษฐีคนนี้ขันโผได้เป็นญาติเศรษฐีคนนี้หามาแสดงตัวอ่สเสดยยกสมบัติหาเป็นเศรษฐีต่อไปคำนิย坤กุมืนนอม้อเลยกับอึศหรอวะเฮ้คุณุมื้อโบอึดหดไปสีแสดงตัวให้เป็นญาติเศรษฐีเอาไปพระญาปฏิเสธนี่ตัดข้อบวชบวายเรน่อแต่เนี่ย่มมีโผไดกล้าเนีย ขั้นบนให้เป็นญาติไล่ซักใสไล่เลี่ยงบนขั้นอาวุธวมยานกัดตัดข้อถิ่เปนบมดละโมมีผพลากาแล้วโมมีผพลายกาเป็นท่าญาติของเสษฐีกี่ทีลไปเพราะเสษธีกี่ทีโมห้เป็ี่ยนท่าญาติขั้นพลาดจะเป็นท่าญาติไปนี้ขาถิ่หมดลงไปโมข้นกี่ทีเดพไปศีขับไปไกลใดเป็นบมดละโมนี่ช่วยเกิด่มมี่ญาติโมมี่ีีโมมี่นองมีแต่บริวารนี่เองกระโมีท่าญาติหลับเป็นท่าญาติมนส่ชุดประกาศอยู่เจ็ดมือ อ, อคือซับนะอาหยัดไปก่อนอาหยัดซับไปก่อนนอนไปโมหัยผู้ใดเข้ามาพรญ่าปเป็นเสียรอาหยัดซับไหวโมหัยเคลื่อน ย, าย้ายโผล่ในสุกเก็ตมือบ่มีผู้ใดแสดงเป็นท่ า, ายัดพรญ่าปเป็นเสียรก็เลยสมัยนะั้บ่มีรถเป็นบอ่อนะมีแต่เกวียนออทรงเกวียนไปหาล้อยเลมไปขนเขามาในคลองพระข้างหลวงเป็นของหลวงได้บนี้ขนเขามาโขนเขาม า, า, มาทั้งเงื่อนข้ามซับสมบัต อ่อีหยังของเศรษฐีขนเขาไว้เป็นพระข้างหลวงขนไปเจ็ดมือนไปเขียนหาลอนห่ครูคคคกระมันครูมือหน่งเจ้าวัวป่านนั่นว่าเพราะว่าเขียนไม่ซาเนี่ยมปนบลาอ่าข น, นมาไหวทังขู่ทั้งคนขนเขามันในพระข้างหลวงเก็บไปเรียบร้อยก็เลยไปการาบพระพุทธเจ้าบัดพ ญ, ญ่าประเสียไปการาบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยถามพระาระเศียรว่าเออไม่เห็นมหาบุพพิษนานหลายวันไปสายก็ยังบ่เห็นหลายวัน พระเจ้าประเสียรก็เลยกลับพูนพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์ได้ไปขนเอาทรัพย์เศรษฐีที่ตายไปแล้วบมีญาติเมื่อพ่อเขาตายแล้วก็เลยบมญญาติประกาศแล้วก็เลยไปขนทรัพย์เศรษฐีเขาไว้ในทองประคั่งหลวงพระเจ้าค่ะก็เลยผมมีโอกาสได้มากรับพระพุทธองค์อันนี้คือพระญาติพระเสียรกับพูน พ, พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเขาเลยบอกว่ามหาบุพิตเศรษฐีผู้นี้นะ เขารุย่ยมาเป็นชาติที่เจ็ดนะเนี่แหละชาติที่เจ็ดออกจากชาตินีไปแล้วก็จมละมดอันนิสงมดผลบุญผลบุญเขาสงมาถึงแด่เจ็ดชาติเพียงเท่านี้ต่อไปในกับมดดละมดบุญของเขาละมดกรรมดีของเขาแล้ว พ, พระญาติเสียรก็าเลยถามว่ากรรมเอีอย่ยงกรรมดีของเขาเขาได้สร้างบุญเอีอย่ยงแด้ไปเจ้าข้าจึงได้มารลุยถึงเจ็ดชาติถึงขนาดนี้พระพุทธเจ้าเขาเลยบอกว่า อธีชาติของเขาเนะ่ยเขาเป็นโฟโรหิตเอเขาเป็นเป็นอมหมาตเยสมมติวนะ่าน่าจะว่าเป็นองค์ข้ามรีเราหอกง่ายๆเป็นผู้เฝ้าพระราชาประจําวันท่นี้ไปเห็นพระประเจกบิณฑบาตในกลางเมืองอพอไปเห็นพระประเจกพุทธเจ้าบิณฑบาตพอไปเห็นอมหมาตก็เลยบอกเออพระปเจกบิณฑบาตเนอใส่บาตรใส่บาตรใส้บาตรใส่บาตรพระประเจกเนอนะใส่บาต ร, รเนะพลเนอะ พ่อปเจกมาบิณฑบาตคนทั้งหลายก็ลงมาใส่บาตรพ่อปเจกพบปุโรหิตบอกแต่ส่วนปุโรหิตในใจสมณะกินข้าวล้วไปหานอนตีพุ่งอยู่บ่ได้ทําการทํางานยังสวยบ้านสวยเมืองว่าเท่านั้นเลยเจ้าของก็เจ๊ยบ่ได้ใส่บ่ได้ไปบ่ได้ทำบุญมิจะบอกให้ผู้อื่นทำบุญไปพ่อเขามาในว่างเลยการทการทํางานนั่นแหละ อันนี้สงบุษกุศลที่ดประกาศให้คนใส่บาศพ้าปฏิเจกนั่นออกไปเกิดมาพบนาชาติหนานลุ้ยได้บาศนียแต่กิน่นบัวใดไส่บัไใดพอเหตุใดพอวามันมันเป็นสมบัติผู้อื่นเลยประกาศให้คนทำบุญเนี่ยบ่เปนสมบัติของเจ้าของเกิดชาติ น, นั่นตายไปอีกเกิดมาอีกชาตินารุ้ยอี ก, ก่นออกไปรุ้ยซึงศาสตร์ที่เจ็ดยังที่วานี่แหละชาตินี้บัศคนออกไปนี่แหละ คนาบุญนี่ทรงถึงที่สุดขึ้มกันเมื่นนุญวนไปเอมื่อ ป, ปูนกับบาปตอนแย่บาปนี่เรีนเขามาคล้องเกิดพบนายชาตินากนไปหาขอท่านกินระบาดนี่แหละอันนี้คือพระพุทธเจ้าเพิ่มมองเห็นอดีตอตต่างอดีตชาติว่าเป็นมากจังไดมันมีเออแนวมีแถวที่เดินมากเพราะนั่นพวกเข้าทุกคนขึ้นกั น, นมีอดีตชาติมีปัจจุบันชาติมีอนาคตชาติ อนาคดชาติก็มีดได้แหมจังมืออื่นเนี่เป็นยังไดเนี่ยมืออื่นมีบ อ, อ่เอมมีแน่นอนละมืออื่นเป็นยังไงเพราะมันใกล้ได้เพราะมันวานมันมีดวนลงไปมืออื่นก็มีดได้มืออื่นก็ต้องมีวนลงไปแล้วก็พบชาติที่แล้ ว, วนี่มีบอเนาะเขาเกิดชาตินี้มีบอลฉาดน้ำมือกับมีคือกันแหมพูดแบบง่ายๆวนลงไปวิเคราะห์แบบง่ายๆเพราะนั่นพวกเข้าห้สั่งบุญสั่งกุศลเมืเนี่ยยับประมาทเครื่องที่ เป็นมากรือว่าเป็นวิบากกรรในอดีตของเฮ้าเฮ้าอาจจะไปทําให้แกสัดอื่นพูอื่นไปขาไปตีเขาเออในอดีตชาติมันยังเกิดประสบอุบัติเหตุขิดว่าเฮ้าห้ย่ อ, ยอมรับโดยดุษเนีภาพเออตั้งแต่หนีต่อไปแล้วผู้ข่าจะสางคุณงามความดีจะทําบุญซ้ำคุศสนสิ่งใดที่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนผู้ขาสิพอทำสิ่งนั้นแล้วผู้ขาจะทํำแต่สิ่งที่มันดี สั่งบุญสั่งกุศลเสียงที่ผู้คาได้ทําเลยบให้เอาโหัศีแก่ขาไปเจ้าได้เนอะขาไปเจ้าโดยความโง่โดยความหลงโดยความไม่รู้จึงได้ทําไปแต่บัด น, นี้ผู้คารู้แล้วว่าการทํากรรมชั่วว่าเป็นผลดีการสร้างเวรสั่งกรรมว่าเป็นผลดีผู้คายสั่งแต่บุญงามความดีจะสร้างแต่บุญกุศลนะเน้อไอคิดในใจจังสันนะบาปอคุศลทั้งหลายก็จืดจางไปเรื่อยๆพราะเฮาไ่ได้ สั่งสมเลยขันวักเบื้องหน้ากูหน้าเนี่ยบ่มีทีสิ้นสุดตัวลงไปเวนย่อมระ ง, งับได้ด้วยการไม่จองเวนเวนจะระ ง, งับไม่ได้ด้วยการจองเวนขันมีการจองเวนีนอยู่เวีนจะบระ ง, งับปปุตตเจ้าว่าขันหางวามบ่จองเวีนกันน่ะเวนจะระ ง, งับไห้โอโหสิมรตุทุกคนผู้ข่าไม่จ ะ, จะเดินทางหาทางพลทุกเนาะใดจะพลทุกไปผู้ข่าจะเดินทางนั่นจิมมตกิเลสไม่ไปผู้ข่าจะเดินทางนั่น เออซืบ่แบกไผไปน้าทั้งมดัดมันลงไปเนีความดีความชั่วไผดุดาว่าขาวอิดชานินท่าฉละเสินยังก็ตามถีมมัดมันลงไปผู้ข่าจะบ่ฟัง่งผู้ข่าจะซื้ฟัง่งแต่สิ่งที่มันม่นดีแหละสิพยายามเดินหาทางคนถูกของข่าวไปเจ้าเท่านั้นมันต้องคืดจังสังน่นนะเอ่าถ้าจะว่าตัดช่องหน่อยก็ใช่แลาจะไปแบกแค่ได้แบกทั้งบุเหมือนกับแบกไม่ทั้งงาน แบกไม่ไพ่ทั้งล่านี่งาพร่อมล่องลองเหมืนอมนเขาป่ามก็มาเล่งเตีงตั้งไปทัทวนอ่ามันต้องเลาะออกใหม็ดมีแต่ร่ำมันยังคอยแบกไปได้อันนี้คือกันใจที่จะพุ่นจากทุกในวัฏสงสารมันต้องตัดเดะตัดกิเลสราคะโทษโมหะตัดโลกโกรธหลงออกไปตัดความหลักตัดความชั่งตัดวัฏที่สิงห์บอดีจิงจะพนทุกได้อ่าขั้นขี่ักก์เต็มที่กี่โล ก, ก็เต็มที่ คีโกรธอันเต็มทีไปนิผ่านวะไรหรอกมันข้างงามันวันไปประตูนิพ่านมันน่อยก็เข็มเเข้าได้ยังไอประตูนิพพานน่อยก็เขีมนี่ยคนว่าเมืเอเ่อไห่เบาเง้ยวเติบนะเบาภาษาบานเท่าให้พวกห้อได้ฟังง่ายตอนนี้ไปรับพ่อเนี่ ย, ย